สิกขาบทที่ 7. ภิกษุนีออกปากขอเข้าเปลือกดิบมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฏ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืน